อยู่กันแบบมื ด, มดบ้างก็ดีนะเราจะได้อย่างมื ด, ม, ดมืดเลยเนาะมันก็ไม่ใช่มองไม่เห็นสายตามันก็เห็นแบบํารางมันก็ช่วยถนอมสายตาเราก็ทําให้สายตามันทํางานมากนะักแต่เจอไฟเจ๊าะเจ้าตาเราพากพอเราอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบ เรียกว่าอยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยเขาก็ค่อยๆปรับตัวของเขาือความสว่างก็จะมากขึ้นดเรื่อยตาเราก็สว่างมากขึ้นเหมือนกเราอยู่ที่สวนะบางทีก็รู้สึกว่ามีความไม่สะดวกอืมีเรียกว่ามีปัญหาบางอย่างเช่นน้ําท่ว ม, มเดินลุยน้ำํำบ่อยๆ มีไหมบางทีจิตใจมันก็คิดกังวลว่าน้ำจะตัดเท้าหรือเปล่าห้องคงฟูหรือเปล่าเป็นโรคผิวนังหรือเปล่าบางทีจิตมันก็กลัวกังวลทียุงเยอะๆกลัวว่ายุงจะกัดแล้วเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าหรือบางทีเสนิดเป็นไข้ามาเรียหรือเปล่ามีชื่อโรคหรือเปล่า แค้ยุงหรือเปล่าบางทีจิตเราก็จะกังวลเรื่องพวกนี้ถ้าฝนตกมากมากๆนะน้ำกูจะท่วมมากตัวนี้คงจะลาบากมากตัวนี้บาทีจิตเราก็จะกังวลเรื่องพวกนี้ทำให้บางทีจิตเราไม่เป็นอิสระแต่เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยตามมีตามได้ปล่อยตามเลยก็ไม่ใช่ มีการป้องกันมีการระวังมีการเตนะรเียมพร้อมนะแต่การระวังการเตรียมพร้อมไม่ใช่การระแวงหรือว่าการกังวลบางทีจิตพวกเราต้องเรียกว่าคอยแยกแยะสิ่นี้ให้มันชัดเจนเรื่องหลายเรื่องนะที่เป็นเรื่องของอนาคตที่เรื่องของแผนการเรามีการเตรียมพร้อมเรามีการระวังมีการวางแผนนะเพื่อที่จะรักมือตับ ปัญหาในอนาคตรหรือว่าเพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดปัญหาที่มันอาจจะตามขึ้นมามีการวางแผนไว้นะทําตามแผนการแต่ต้องไม่ให้แผนการนั้นๆกลายเป็นความเรียกว่า <c oughs> กังวลเกินไปหรือว่าหวาดกลัวเกินไปว่ามันจะผิดจากแผนที่เราคาดหวังไว้ <c oughs> ในชีวิตของเราก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเรามีแผนการในการใช้ชีวิตเราต้องรู้ว่า ตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อไปจนถึงอาจจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือบางทีอาจจะไม่ต้องยาวขนาดนั้นก็ได้นะมีแผนคร่าวๆว่าในรอบเดือนนี้จะทําอะไรบ้างนะปีนี้จะทําอะไรบ้างหรือบางคนอาจจะคัดเจนนะ ว, ว่าจนกว่าจะตายเนี่ยจะทําอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตอนะถ้าเรารู้จักวาง วางแง ข, ของชีวิตของเราเนาะเราก็จะจัดสรรเวลาที่เหลือของชีวิตไม่รู้จะมีมากหรือมีน้อยขนาดไหนหเราจะจัดสรรแล้ก็จะให้ให้น้ําหนักให้คุณค่ากับสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีความสําคัญมากแล้วก็ลำดำับลำนําได้ลงไปจนกรทั่งสิ่งที่สําคัญน้อยหรือว่าไม่สําคัญก็จะให้ให้เวลาหรือให้คุณค่ากับเขาน้อยลงไป ถ้าเราจัดสรรเมื่อวนนี้ได้นะชีวิตของเราก็จะมีระเบียบ ม, มากขึ้นนะไม่สับสนไม่วุ่นวายหรือไม่หลงไปตามกระแสนะตามที่คนอื่นเขาชัญชวนไปอย่างเช่นพวกเราให้เวลาในการฝึกสติในการภาวนาแล้วก็จัดสรรเวลาของเราให้เวลาของเราถึงวนี้กับการภาวนามากขึ้นนะการภาวนาก็คือการกลับมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจ หรือบางทีก็มีส่วนประกอบบางอย่างที่ทำให้เกิดการภาวนาได้ดีขึ้นเช่นการฟังธรรมะการสวดมนต์หรือว่าการทําบุญทำทานพวกนี้ก็เป็นส่วนประกอบในการทำให้การพาวนาเปนดีขึ้นพรอะไรในการฟังธรรมก็จะทำให้เราได้มีความเขียนที่ถูกต้องมีเรียกว่ามีโครงถ่ายของความคิดนึ่ ในทางสุขระความธรรมนะเมื่อมันคิดถูกมันก็จะเห็นถูกก็จะทําถูกตามไปด้วยนะมันก็เป็นส่วนประกอบการส่วนรมวลพ็น้อมทํางรู้ในเชินธรรมะที่พระเจ้าท่านสอนไว้หรือว่าในขณะที่ตรวจไปจิตใจมันก็เรียกว่าเกิดสมาธิเกิดความตอั้งมั่นเสถียรความสงบเกิดขึ้นเบางทีอาจจะไม่สงบแบบนั้นตลอดไป ตวจไปอาจจะเผลอคิดไปตรวจไปอาจจะลืมไปเขารู้ทันว่าอกอจิตมันเป็นแบบนี้เนาะไม่จะตั้งใจสวจมวลไม่จะตั้งใจมีสมาธิกับสิ่งที่ทําตรงนี้แต่จิตมันก็บังคับไม่ได้ จ, จริงๆเดี๋ยวมันก็เผลอแว้ไปเดี๋ยวก็ลูมไปเดี๋ยวก็เรียกว่าเปึกคุณคิดในธรรมะที่ได้ตรวจไปเขเห็นอาการแบบนั้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ หรือแม้แต่เรื่องการทำบุญทำทานมันก็เป็นส่วนส่งเสริมให้ทางภาวนามาดีขึ้นเมื่อทำบุญแล้วจิตใจมีความสุขคือความสบายมีความเรียกว่าเพืินใจือความภูมิใจจิตก็เรียกว่ามีสมาธิเมื่อจิตมีความสุขมันจะมันจะเกิดความสงบแล้วก็เรียกว่ามีปิติมากขึ้นเราก็เรียกว่าเป็นจิตที่มีสมาธิเขราว่าได้ครับ มาทำอะไรแล้วมีความสุขมก็เกิดความภูมิใจพอใจอืเภูมินะใจที่ได้ทําความดีภูมิใจที่ได้ทำทานหรือบาคนอาจจะเฉยๆก็ได้นะก็ทํ า, ทาไปแบบนั้นแหลนนะะก็ไม่เป็นไรก็รู้ทันใจเราบางทีก็ไม่เหมือนกันอบางทีก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งต่างๆแล้วเนี้ยมันเป็นส่วนประกอบมากหรือแม้แต่เรื่องศีลเนีนะ่ยถ้าเรารักษาศีลได้สมบูรณ์หรือ อาจจะไม่สมบูรณ์แต่พยายามรักษาอยู่นะมีขาดตกบกพร่องไปก็ตั้งใจจะแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะตั้งใจใหญ่ทให้มันดีขึ้นไอ้คนนี้ก็เป็นเรียกว่าทําให้เราภูมิใจใจเองว่าออสิ่งที่ขวางกั้นนะไม่ให้จิตใจมันตกต่าก็เรื่องของศีลนี่แหละนะสิ่งที่ยกจิตใจให้สูงขึ้นอย่างเช่นเรื่องขอ ง, ง, งาการทำบุญทางทานจับเจตละเนี่ยะนะมันช่วยให้เราเรียกว่าภูมิใจนะ ในตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเกิดความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นการภาวนานมันก็เรียกว่าไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังมันก็เดินหน้าต่อไปได้ง่ายแต่บางคราวก็ไม่ใช่ว่าต่ไม่เกิดความด่างพร้อยมีสินด่างพร้อยบ้างมีความสน่ห์ีเดียวในจิตใจบ้างมีความปวดความโรคความหลงเข้ามาเยือนจิตใจบ้างถ้าเราเห็นว่าอ้อกิเลสมันยังมีอยู่เนาะนะ ความหลงยังมีอยู่มากเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องขจัดเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เรียกว่าละมันไปเราก็ต้องฝึกฝนในการภาวนาเพื่อรู้ทันสิ่งเหล่านี้ยให้มากขึ้นบาทีพวกนี้มันเหมือนขยะเหมือนกับสาราหลังนี้เนาะถ้าไม่มีคนมาใช้ถ้ามีใครมาอยู่นานๆก็มีขุ่นมีอยากใหา่ มีเศษอะไรต่างที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นมากมายในตลาดดังนี้พอเราเข้ามาใช้ก็ต้องมาทำความสะอาดมากวาดมาถูอนะคอยดูแลมันไว้จิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะพอเราไม่ค่อยจะ ด, ดูแลไม่ค่อยจะมาใส่ใจในการดูว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนจิตใจก็จะโดนกิเลสครอบงามอยู่เป็นประจําเหมือนกับฝุ่นละอองมา ทำความสกปรปกให้กับซาลาอยู่เป็นประจำจิตของเราก็เกิดความตศร้าหมองกิเลสเกิดขึ้นไม่รู้เท่าทันก็ดงกิเลสลากไปการที่เราฝึกรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจก็เหมือนกับการที่เรากวาดกิเลสออกไปจากาลาออกจากจิตทีละขณะทีละขณะเหมือนเรากวาดพื้นกวาดพื้นหรือว่าถูพื้นขณะที่กวาดขณะที่ถู มันรู้สึกว่าฝุ่นละอองมันมากอตอนที่ยังไม่กวาดก็รู้สึกไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ยิ่งกวาดไปเท่าไหร่สัะเห็นว่าฝุ่นละอองมันเปรวมกันอยู่ข้างหน้ามากมายเหลเกินหรือขณะที่ถูไม้ถูพื้นตอนที่จุ่มน้ํายังไม่ถูแล้วก็สะอาดดีแต่พอถูพื้นสักพักก็เกิดความดำเกิดความสกปรกจิตของเราการฝึกฝึกภาวนาก็เช่นกันบางที รู้สึกว่าตอนยังไม่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยมีกิเลสมากเท่าไรหรือมีบ้างแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันมากขนาดนี้ไม่รู้สึกว่ามันหนักขนาดนี้จะพอภาวนาไปทำไมโอ้กิเลสในใจมันเยอะเหลือเกินความทุกข์มันเยอะเหลือเกินความหลงมันมากเหลือเกินที่จริงเห็นแค่นั้นแ่ะดีแล้วเหมือนกับเราได้กวาได้ถู สิ่งที่สกปรปกออกจากจิตใจของเราอยู่เป็นประจําขนาที่ทําอยู่ตรงนั้นนะ่านที่เรากวาดไม่กวาดผ่ า, า น, ปนไเาเปเมื่อไใดเส้นทางที่มันกวาดผ่านไปแล้วตรง น, นั้นก็สะอาดแล้วกิเลส ท, ที่เรารู้เท่าทันก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ทันกิเลสตรนั้นจิตมันก็สะอาดไปแล้วนะชั่วคราวตรง น, นั้นแหละเราก็ทําหน้าที่ของเราแบบนี้บ่อยๆแม้กิเลสจะพันห้ากันหาร้อยแปดก็ไม่สําคัญ เท่ากับเราทําหน้าที่ในปัจจุบันแค่นั้นพ อ, อเพราะกิเลสจะพันห้าตันหาร้อยแปดก็ตามแต่ที่จริงเกิดขึ้นได้ทีละตัวเท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นได้ทีละทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งหน้าที่ของเราก็แค่รู้ผ่านมันทีลครั้งเท่นั้นก็พอแล้วนะไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะมีมากมายขนาดไหนไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไใ่เราจะรับมันได้หมดเพราะที่จริงมัน เ, เกิดขึ้นได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละ เมื่อเรามีสติรู้ทันที่ปัจจุบันกิเลสที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็รู้ทันมันตรงนั้นนั่นแหละแค่นั้นพอแล้วทําหน้าที่จบแล้วเราก็ดูมันตรงๆตงัวนั้นแหละนะดูแบบไม่ให้ไปตั้งใจดูคนระับการดูกิเลสการดูความคิดนะเพาะเทียนถ้าไม่ให้ไปตั้งใจดูความคิดไม่ให้ไปตั้งใจดูกิเลสมันจะกลายเป็นการไปเฝ้าเฝ้าดูนะ หรือเป็นการเพ่งดูหรือเป็นการที่เรียกว่าคอยดูไม่ใช่แบบนั้นการดูความคิดการดูจิตใจไม่ต้องไปเพ่งไปจอ้องหรือว่าไปเฝ้าดูเราดูผ่านฐานของการเคลื่อนไหวของกายัในแดะมันจะเป็นฉากนะมันจะเป็นตัวที่ดูแล้วปลอดภัยพอกายเราดู้กายเคลื่อนไหวให้เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเมืนกิจกรรมหลักที่เราดู มีการเคลื่อนไหวมีการหยุดนิ่งมีการกระทบสัมผัสมีการยืนเรือนนั่งนอนเรียกว่าพอเรารู้กายเป็นเป็นฉากหลักไว้นะถ้าไม่ไมิไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์รู้สึกอะไรที่มันเด่นขึ้นมาเราก็ดูกายของเราไปเรื่อยๆดูไปดูไปดูไปนะพอความคิดมันโผล่ขึ้นพอจิตใจมันมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็อค่อยรู้ตรนนั้นแทรกขึ้นมาแทนที่นะเราไม่ต้องไปคอยเฝ้าดูว่าจิต มัคิดเรื่องอะไรบ้างไม่ต้องไปคอยนับไม่ต้องไปคอยสังเกตขนาดนั้นเราเพียงแค่รู้ทันว่าพอเวลาเรารู้กายเมื่อไรแล้วมันเผลอแทรกเข้ามาแทนที่ในการรู้กายอันนั้นแหละรู้แบบนี้นจะปลอดภัยรู้กายไปเรื่อยๆพอความคิดหรือเวทนาเกิดขึ้นรู้ทันมันอ้ออันนี้นแหละปลอดภัยที่สุดเราไม่ต้องเข้าไปลงทุกขกับความคิดแต่เรารู้ทันความคิดผ่าน ผ่านการที่เรียกว่ามีสติคอยดูมันมเห็นความคิดเกิดขึ้น<ม>ก็ไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปไปคิดต่อว่ามันดีหรือไม่ดี<ม>แต่ถ้าเผลอไปคิดต่อก็อรู้ทันว่าอ้อจิตเราไปให้ค่าว่าอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบพอรู้ทันมันแปแค่แค่นั้นพอไม่ต้องไปพิจารณาหรอกว่ามันมีเหตุมีผลอย่างไรสมควรคิดหรือเปล่า นะไม่ต้องแค่รู้ฐานแล้วก็กลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวนี่แหละนะมันจะทําให้เราเรียกว่ามีสมาธิไปด้วยทางฝึกเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธนะิแต่เพียงแต่ว่าเราเอาตัวสติเป็นตัวนําสมาธิไม่ใช่บางวิธีที่เขาใช้วิธีการเอาสมาธิเป็นตัวนํานำะ ให้จิตมันสงบให้จิตมันตั้งมั่นก่อนแล้วค่อยไปเจอมีปัญนาแต่หลวงพ่อเทียนท่านเรียกว่าท่านให้เอาการเคลื่อนไหวสือความรู้สึกตัวเนี่ยแหละให้เกิดความรู้สึกตัวให้เกิดสติเป็นตัวนําไปก่อนเมื่อเรารู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆจะรู้สึกตัวที่กายก็ดีรู้สึกตัวที่ใจก็ดีมันก็จะเกิดความตั้งมั่นเองจิตมันจะตั้งมั่นนะ เป็นการตั้งมั่นที่ควรแก่การงานไม่ใช่ตั้งแล้วก็นิ่งเฉยๆจิตที่มีสมาธิจิตที่มีคุณภาพาจริงต้องตั้งมั่นควรแก่การงานไม่ใช่ตั้งนิ่งแค่แล้วก็ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรไม่ใช่จิตที่มีคุณภาพาจริงต้องมั่นคงแล้วก็ควรที่จะควรแก่การงานการงานของจิตคืออะไรการงานของจิตก็คือรู้สึกตัวนี่แหละ มันตื่นมันรู้มันเบิกบานในการที่จะคอยมันม่นมั่นดูว่าปัจจุบันเนี้ยกายมันทำอะไรอยู่ใจมันทำอะไรอยู่ค่อยสังเกตไม่ไปไม่ไปดูนอกตัวอาจจะเห็นนอกตัวรู้นอกตัวแต่มันจะกลับมาดูตัวนะเช่นตาเห็นรูปมันไม่ใช่เห่อส่งสติเห อ, อส่งเรียกว่าส่งจิตออกไปในสิ่งที่เห็นเท่านั้น หูได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกันเรียกว่าอายตนะต่างๆมันเปิดเปิดช่องในการรับรู้นะแต่พอมันรู้แล้วมันไม่มันไม่ไหลไปกับช่องที่มันรับรู้ตรงนั้นแต่มันจะกลับมาแค่รู้ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นการรู้เฉยๆรู้เฉยๆเน่ยบางทีเป็นภาษาภาษาไทยอาจจะทำให้เรสับสนเฉยๆบางทีมันก็ มันก็ตรงกับอาการที่เรียกว่ามันเป็นต่างๆนะครับมันเฉยๆจิตจืดอะไรนะแต่จริงรู้เฉยๆถ้าเป็นภาษาอีสานนี่มันจะค่อนข้างตรงกว่านะหลวงพ่อเตียนชีแจงว่ารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อซื่อกับเฉยๆบางทีอาจจะไม่คล้ายกันเลยทีเดียวแต่มันแปรยากนะซื่อไม่ยถึงว่ารู้แล้วก็หยุดแค่ตรงแค่รู้แต่ น, นั้นนะ เช่นรู้ว่าสุขเนี่ยก็คือรู้ก็ซื่อแค่นั้นก็พอไม่ต้องไปคิดต่อว่าสุขมันดีไม่ดีชอบไม่ชอบเนี่ยนี่คือรู้ซื่ออาการของจิตมันเกิดขึ้นอย่างไรอาการของกายเกิดขึ้นอย่างไรรู้ซื่อรู้แล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นอันนั้นคือเรียกว่ารู้ซื่อนะหรือรู้เฉยก็อาจจะพอแทนกันได้ก็คือรู้แล้วก็เฉยซักนะไม่ไปปรุงต่อนะจะบวกจะลบ ก็เฉยไว้แค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่เป็นการประคองจิตให้เฉยเฉยไม่รับรู้อารมณ์อะไรนะให้เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่รู้สมมติความสุขเกิดขึ้นรู้นะอันนี้คือรู้เฉยเฉยความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็รู้นะความคุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็เฉยแค่ตรงนั้นนะซื่อแค่ตรงนั้นอันนี้แหละถ้าเรามีสติรู้ซื่อๆนะจิตมันก็จะเรียกว่าอ้อเห็นอาการ ที่ชื่อๆตรงๆที่มันแสดงแล้วก็พอแค่นั้นเขาก็จะเกิดการเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวินาทีแต่ละเที่ยววินาทีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเลยว่าอ๋อความรู้ตัวนี้มันเข้าไปจับมันเข้าไปรู้มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงที่แสดงอาการีเหตุทั้งนั้น ไม่ใช่จิตไปตั้งแค่ไว้กับอารมณ์ในอารมณ์เดียวถ้าจิตไปตั้งแค่ไว้กับอารมณ์ในอารมณ์เดียวมันจะกลายเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าจิตมันตื่นรู้เบิกบานอยู่อะไรที่เขาเด่นในตอนนั้นจิตก็จะไปดูของเขาเองไม่ใช่ว่ามันจะอยากรู้อย่างเดียวต่อเนื่องไปก็ไม่ใช่อะไรก็เกิดขึ้นที่มันเด่นแม้จะมีการเคลื่อนไหวยึดมือสิบีจังหวะหรือการในรจงกรมเป็นหลัก แต่บางคาวก็ไม่รู้แบบนั้นตลอดไปบางคาเขารู้กับการเคลื่อนไหวบางคาเขารู้กับการหยุดนิ่งบางคามันก็ไปรู้ความคิดไปรู้จิตเพราะเห็นว่าี่จิงไม่แต่จิตที่เรียกว่ามีสติมันก็ไม่ใช่จะรู้แต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่อะไรที่เขาเด่นในตอนนั้นสติก็จะเข้าไปรู้ตรง น, นั้นจะเห็นว่าอ๋อทำอรชาติ ของสติของจิตมันก็เป็นแบบนี้ธรรมชาติของกิเลสของความคิดก็เหมือนกันมันไม่ใช่เดกคิดแต่เรื่องเดียวไม่ใช่เดคิดแต่แต่ด้านบวกไม่ใช่เดกคิดแต่ด้านลบทั้งนั้นมันก็คิดไปสารพัดของมันมันก็รู้สึกไป็นสารพัดของมันมันเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันเนาะอะไรนะั่นก็เห็นมันเป็นอาการพวกนี้ยพอเราเห็นสิน่งต่างๆนี้ได้เนาะมันจะเกิดการสะสมปัญญาน ปัญญาในเบื้องต้นที่เป็นวิปปัชนายานก็คือว่าแยกรูปแยกน้ำได้มันจะรู้เลยมันจะรู้สึกได้ชัดเจนว่าเรื่องของรูปก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของน้ำมาทำก็เป็นส่วนหนึ่งมันแยกกันอยู่แต่มาสัมพันธ์กันนะคล้ายๆเหมือนถ้าสมมุติเราเอาน้ํากับน้ํามันนะมาใส่ในแก้วเดียวกันมันลอยอยู่เหนือกันก็จริงนะแต่มันก็สัมผัสกันแบบนั้นแหละ มไม่ใช่แยกขาดกันมีช่องว่างโวโวก ว, ว้างไม่ใช่แบบนั้น้นะองคยจะคิดถึงการใค่ใช่เหมือนถอดร่างออกไปถอดบิญญาณออกไปจากร่างกายนี้การแยกรูปแยกนาไม่ใช่แยกแบบนั้นนะแต่มันรู้สึกว่านะรูปธรรมและานามธรรมมันเป็นคนละส่วนกันนะมันเห็นไดนว่ารูปที่เคลื่อนไหวนามที่ จ, จิตใจมันคอยรับรู้นะมันก็เป็นคนะส่วนกัน ไม่จําเป็นว่าทุกคราวที่ร่างกายมันทุกข์ลูกจะต้องเข้าไปน้ำจะต้องเข้าไปทุกด้วยบางทีมันเห็นความทุกข์ของลูกเกิดขึ้นแต่น้ำเฉยๆอยู่นะนามแค่รู้ไม่ได้เข้าไปทุกด้วยเราก็จะรู้สึกแบบนี้ชัดเจนเนี่ะหรือที่จริงแค่เคลื่อนไหวก็จะรู้อ๋อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นรูปจิตใจที่รับรู้มันปกติอยู่นี่เป็นนามมันจะเห็นสองส่วนนี้ แยกจากกันแต่มันสำคัญเนื่องด้วยกันนั่นแหละนะมันต่อเนื่องกันสำคัญกันนะแต่มันเป็นเพื่อส่วนกันเหมือนกับเราแยกธาตุอย่างสมมติน้ำนะเขาบอกว่าประกอบด้วยออกซิเจนไส้ไนโดรเจนแบบนี้ใช่ไหมมันก็มันก็แยกกันแบนั้นถ้าแยกในทางเคมีแยกแยกสูตรของธาตุของไปแยกกันได้ สูตของคีบิทเราก็เหมือนกันเนาะก็มีเรื่องของรูปแล้วเรื่องของนามเนี่ยมันก็แยกกันเช่นนั้น <c oughs> มันเห็นมันรู้เลยว่าอ๋อลูกประทับเป็นแบบไหนนามมาทำเป็นแบบไหนรูปมันทะําอะไรนามมาทําอะไรนะทําทออาคมเนี่แหละทอทหารตะระธรรมเนี่ยลูปมันทําดีรูปมันทําชัว่วนามมันคิดดีนามมันคิดชัว่ว มันเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องคนละส่วนกันบางทีรูปมันกําลังทําดีอยู่นะเช่นสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าเดินจงกรมทําสมาธิแต่จิตมันกลับคิดชั่วก็มีกอเป็นแบบนั้นเนาะรูปมันทําดีอยู่แต่นามมันทําชั่วนามมันคิดชั่วมันก็เห็นบางทีรูปมันทําเฉยเฉยไม่ได้แบบ ทำความดีอะไรแต่นามมาทําความดีของมันก็มีนะนามมันเล็กๆถึงสิ่งดีๆหรือนามันมีสติอยู่ลูปมันก็ไม่ได้ทําบุญทําอะไรในภายนอกนะหรือบางทีไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่นามมันเดินในทางที่ถูกทางอยู่ก็ดูอ้อลูปทํ า, านามทำเป็นแบบไหนเนาะเห็นรูปทุกนามทุกนระูกทุกเป็นแบบไหนเวทนาที่เกิดขึ้นกับลูก มันไม่ใช่รูปนะเช่นปวดแฉ่งปวดขาเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นอาการชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับรูปท่านั้นมันเป็นเรื่องของรูปมันทุกข์รูของโรคเป็นโรคของโรคของรูปมันเกิดขึ้นชั่วคราวแต่มันไม่ใช่รูปจริงๆหรอกรูปจริงๆที่มันปกติเฉยๆมันก็มีแต่มันก็มีความทุกมีโรคแฝงอยู่ในรูปตรงนั้นอยู่เป็นอาการที่แทรกขึ้นมาชั่วคราว แต่ที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติพราะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการเจ็บเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาเกดท่าก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดาเหมือนกับเรื่องความทุกข์เรื่องของโลกเนี่ยแทรกอยู่ในธรรมชาติของทุกชีวิตอยู่แล้วแต่ความทุกข์ของนามโรคของนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาชั่อทาวเท่านั้นกิเด็มันจอมเข้ามาชื่อทาวออกออกไปได้ง่ายกว่าเรื่องของ ลกอีกเรื่อยซ้ำมันเห็นว่าอ้อมันทุกข์ใจเพราะอะไรทุกข์เพราะเราไปยึดไว้่เองะจะยึดถืออะไรก็แล้วแต่มันยึดไว้มันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ที่จริงฝอที่มันจะยึดมันมีอะไรมีความอยากมันอยากจะให้อยู่สุขมันอยากจะให้ดีอยากจะไม่ให้โกรธอยากจะไม่ให้กลัวอยากจะไม่ให้หลงมันมีความอยากเมื่อมันไม่เป็นอย่างอยากมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ ที่จริงไม่ต้องรอให้มันไม่เป็นอย่างยางที่จริงมันก็ทุกข์แล้วเพราะว่าอะไรบางทีงก็อยากจะประคองไว้ให้เป็นแบบนั้นตลอดไปอยากให้จิตมันเฉยเฉยอยากให้มันมีความสบายก็ประคองไว้ที่จริงแค่ประคองอาการไว้จิตมันก็เหนื่อยล ะ, ะเหมือนถ้าเราแบมือแล้วก็เอาอะไรมาใส่มือไว้นะเช่นเอาน้ำม า, มาใส่ในมือของเราไว้เราเราก็ต้องทามือแบบพุ่ง ทำมืแบบคล้ายๆเป็นบุมนะคือกุ้งไว้เพื่อให้น้ํามันอยู่ตรงนั้นไว้ขีดก็เหมือนกันมางทีมันมีความสบายเกิดขึ้นมีความเบาเกิดขึ้นเราประคองขีดไว้ขีดมันก็เหนื่อยนะเพราะมันต้องประคองมันต้องทํางานของมันมันเห็นไหมว่าออน้ํามันก็ทุกแบบนี้ของมันเนาะบางทีมก็ไปทุกเนื่องด้วยลูปที่มันมันทุกแต่บางคราวมันก็ทุกของมันเองทุกเพราะความอยากนี่แหละนะ ทุกขผู้ความยึดนี่แหละนะเมื่อมันรู้ทันความอยารู้ทันความยึดมันก็วางของมันมันก็เบาสบายเกิดขึ้นมันก็เกิดความไม่ทุกข์เกิดความไม่มีโลคของนามธรรมนั้นถ้า ม, มันเริ่มเข้าใจสึงต่างเหล่า น, นี้มากขึ้นตามําดับตามระดับมันก็จะเข้าใจชัดเจนถึงถึงใจรักนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับประชาไม่ได้ไม่ในตัวตน ของลูกของนามเป็นเช่นใดอ๋อมันเป็นธรรมชาติแบบนี้ของมันเองนะมันเป็นเรื่องแบบนี้ของมันเองนั่นแหละอะไรเป็นเรื่องสมมุติอะไรเป็นเรื่องของความจริงความธรรมแท้มันก็เริ่มเข้าใจละอืมมันเริ่มเข้าใจเป็นลําดับลำนำของมันนะเนี่ยไอ้พวกนี้ยเป็นวิปัสสนาญาณที่เรียกว่าเป็นทางผ่านที่เราจะต้องเจอแต่พวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะราบเรียบแต่รู้มีคนรู้แบบนี้ตลอดไปหรอกนะ บางคาก็มีการติดการขัดเหมือนกันตัวที่ติดขัดมากๆเบื้องต้นเลยก็คืออะไรก่อนที่จะรู้เรื่องพวกนี้นะื่อทีมันมีความสงสัยอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นก็ไปคิดสงสัยไปคิดอยากนะียแต่พอมปนเริ่มรู้ตอนนี้มันจะมีตัววิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยจะเข้ามาแทรกก่อนเพื่อนเนะี่ยวิปัสสนาพอรู้แล้วก็เกิดความดีใจเกิดความพอใจ เกิดความหลงว่าตัวเองรู้เนมะื่อมันหลงว่าตัวเองรูนะ้มันก็จะอยากบอกอยากสอนคนอื่นให้รู้ตามสิที่ตัวเองรู้บ้างคิดถึงคนใกล้ตัวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนหรือต่อไปก็เห็นใครก็จะอยากบอกอยากสอนได้หมดนะมันเกิดช้าๆเหมือนรู้สึกว่าเราไม่เคยมีความรู้แบบนี้มาก่อนพอได้ความรู้แล้วก็ดีใจจิตใจมีความสุขนะ ยาจะแบ่งปันให้คนอื่นรู้ตามบ้างบาทีก็ไม่ดูตามมาตาเรือนะเขาบอกจะพืชจะพูดไปก็มีนะบางทีบางคนก็ซ้อนในใจนะพูดสอนเธอเองบ้างเตรียมสอนคนอื่นบ้างนะพอมันเจอก็ไหลไปของมันก็มีวิปัสสนูตัวตัวอยากบอกอยากสอนคนะอื่นนี่มันก็มีหรือบางคนก็ไปอารมณ์พนี้ไม่ไม่แรงนะักก็เรียกว่า ก็จะพอเคียกับความสุขก็จะพอเคียกับความรู้ของตัเองก็จะเพลินก็พัพอใจไอ้ทุกนั้นก็มีอแต่วิที่จะที่จะกลับที่จะแก้คืออะไรพอรู้ทันว่ามันมีความอยากอมีความอยากเจ็บซ้อนอยากจะบอกอยากจะคิดในเทินธรรมะกลับมารู้สึกตัวก่อนออพอเรากลับมาฐานรูปฐานรู ป, ฐ า, รปฐานนามนี่แหละนะกลับมารู้สึกตัว มาชัดเจนกับรูปมาชัดเจนกับนาำที่มันสแสดงอาการต่างๆเนะี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติของมันแม้บางคราวมันอยากจะคิดอยู่แม้บางคราวจะมีธรรมะโผล่ขึ้นมาอยู่แต่พอมันกลับมาได้นะกลับมาได้จิตก็เกิดความเป็นปกติเกิดความตั้งมัน่นะอารมณ์อะไรเกิดเกิดขึ้นก็แล้วแต่กลับมารู้สึกตัวก่อนกลับารู้สึกตัวก่อนผ่านไปก่อนนะนะไม่ว่าจะบวกไม่ว่าจะลบผ่านไปด้วยการรู้สึกตัวจะได้ไหนะ ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียดายความรู้ความรู้ที่เป็นวิปัสสนูนะอะ่ามันเป็นความรู้จอมปอมเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้มันคิดได้มันเหมือนจะเข้าใจลึกซึ้งแต่มันก็ยังเจือด้วยความฟุ้เสือด้วยความหลงอยู่มันยังเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆมันเหมือนเป็นความรู้ที่เป็นเปลือกขนมอ่ะมันยังไม่ใช่ตัวเนื้อแท้อนะ่มันเป็นเปลือกของมันอยู่เฉย มันรู้แบบถากเวยนะมันไม่ใช้ประโยชน์จริงๆไม่ได้พอมีความฟุ้พอมีคนมาดา่ามาว่านะมันก็แก้ปัญหายังไม่ได้หรอกนะมันแค่เหมือนจะรู้จริงนะเหมือนกับเราอ่านตาําราแล้วเกิด ค, ความเข้าใจแต่ในภาาปฏิบัตินะเรายังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเรียกว่าเก่งจริงๆนะรู้ทฤษฎีนะ เข้าใจธรรมะในการอ่านในการฟังในการคิดหรือลึกซึก้งขนาดที่เหมือนจะคล้ายๆจะเข้าใจจริงๆแต่มันก็จะไม่ใช่ความเข้าใจที่แท้จริงหรอกมันยังเป็นตัวหลอกอยู่ยังเป็นตัวหลงอยู่เราก็ต้องผ่านมันไปก่อนนผ่านวิาัสสนะูผ่านวิปัสสากผ่านอาการจิตยานต่างๆอนะันนั้นพวกเป็นอารมณ์สูงๆในการปฏิ บ, บัติกนะอพูดให้ฟังไว้เบื้องต้นเฉใจแต่ ให้พวกเราเห็นดะว่าที่จริงการปฏิบัติธรรมเนะี่ยมันมันก็มีลาดับมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะตัวหลงตัวหลอกตัวรอดมันก็มีของมันเช่นเดีวยวกันนะมันมีทั้งตัวรู้มีทั้งตัวหลงมีทั้งตัวที่สู่ทางมีทั้งตัวที่ทำให้ผิดทางเราต้องฉลาดในการที่เรียกว่ากลับมาดูตัวเองกลับมาหาหลักให้มันได้กลับมาหาหลักคืออะไรรู้สึกตัวนี่แหละ มันจะทำให้เราผ่านไปได้ทุกอารมณ์นะจะเจอแล้วก็แล้วแต่กลับมารู้สึกตัวก่อนนะไม่ต้องไปห่วงความรู้ห่วงปัญญาอะไรต่างความรู้ปัญญาที่แท้จริงต้องเป็นไปเพื่อความดับกุ้งต้องเป็นไปเพื่อความไฝ่วางนะต้องเป็นไปเพื่อความดุกพ้นถ้ามันยังดูแลมันไปยึดดูแลไม่วางดูแลไม่พ้นอันนั้นไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงหรอกนะบอกตัวเองไว้แบบนี้ไปเลยก็ได้นะ ต้องรู้ระหวางรู้ระวางรู้ระวังจะรู้รูปก็วางรูปจะรู้นามก็วางนามเห็นอาการอะไเกิดขึ้นแล้วก็วางไปเห็นการเกิดการดับของมันนี่แหละเห็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นค่อยค่อยดูไปแบบนี้แหละเริ่มต้นจากการที่เรามีสติกับการเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันการหยุดนิ่งมีสติตอนรู้กระทบสัมผัส บางก็มีสติรู้รู้สึกไปทั้งตัวเลยสางทีก็มีสติรู้อาการที่จิตมันไหวมันคิดมันรู้สึกอย่างไรมันก็รู้ได้ทนางนั้นแหละอันนี้คือความรู้สึกตัวนะอย่าไปจํากัดความรู้สึกตัวไว้ที่ใดที่หนึ่งรู้สึกตัวคือรู้สึกที่ปัจจุบันที่สแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องของรูกเรื่องของนางก็แล้วแต่เนี่ยแหละคือรู้สึกตัวได้ท่านั้นไม่ต้องไปสงใจไม่ต้องไปดังเด แค่รู้ว่ากําลังทําอะไรนะั่นคือรู้สึกตัวแต่เรื่องรู้ของลูกหรือรู้นามก็เหมือนกันรู้สึกตัวเหมือนกันนะเราก็รู้แบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าอย่าไปจะไปเอาจิตใจไปไว้เป็ปากไว้ที่มือที่แขนที่ขาที่ลมหายใจอะไรให้จิตใจมันอยู่เป็นปกติอยู่ต่างหาของมันมันจะแยกรูปแยกน้ําได้แต่ถ้าเราเอาจิตไปแนบไว้กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่ง มันจะไม่เกิดอาการแยกรูปแยกนามเลยมันจะเป็นได้แค่สมารจิตมีความสงบมีความสบายแล้วก็จิตก็จะนิ่งอยู่แบบนั้นมือนเปนแค่ไว้เราไม่แค่ไว้ไม่ประคองไว้แต่ก็ต้องรู้ทันตอนที่มันไหนไปกันพอเราไม่แค่ไม่ประคองมันจะเกิดความพุ้งพลานง่ายๆก็ไม่ต้องกลัวจะุ้งพลาดตกพุ่งไปพุ่งแล้วก็กลับมาพุงแล้วก็กลับมาคิดแล้วก็รู้ ที่แล้วก็กลับมาที่แล้วก็กลับมานะตรงเนี้จะเรียกว่าทําให้เราเรียกว่าเกิดความฉดาดนะเกิดความชานาญในการกลับมาหลวงพ่นะอคนเขียนที่เชิญใจ ว, ว่าปฏิบัติธรรมคือการกลับมานะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเนาะเนะี่ยเราก็จะพยายามฝึกหัดในการกลับมารู้สึกตัวนะ ทำมาเรื่อยๆบ่อยจะทําอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติในรูปแบบก็ตามหรือว่าปฏิบัตินอกรูปแบบก็ตามก็คือกลักมาที่ตัวนี่คือการปฏิบัติธรรมนะก็ให้พวกเราได้ตั้งใจในการปฏิบัติธรร